เมื่อฉันดินธบาเสร็จพูออกลุงก็ได้ทําการปราศัยถามข่าวกราวว่าไปเที่ยวถึงไหนได้พบพระอาจารย์อะไรบ้างได้สนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ทั้งหลายท่านสอนใด้ความอาไหวทางไรนิมนต์เล่าให้พวกญาติฟังบ้างเถิดพวกญาติผู้บางก็จะได้มีใจสว่างขึ้นบ้างทันทีก็ได้ปราศัยกับพูออกลุงไปบ้างบางประการ สุดท้ายทันทีก็ได้สรรเสริญพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้สอนธรรมะพระไตรพรณคมและญาติโยมทางอำเภอท่าบ่อและอำเภอบ้านผือได้ปฏิบัติกันเป็นที่น่าเลื่อมใสเวลาท่านพี่พูดเรื่องพระไตรพรณคมอยู่ท้าวเจ้าพิจารณาดูกูออกรุงแกได้ยินแกทำหน้าเป็นอาการเฉยเฉยพอท่านพี่พูดจบความ ออกลงแก่จึงพูดขึ้นว่าธรรมะพระไตรปณาคมกับธรรมะพระอรหันต์ที่ผู้ออกลงสอนหมู่อยู่นี้ก็ดีเหมือนกันเป็นธรรมะอันเดียวกันนั่นแหละก็ธรรมะพระไตรปณาคมเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าธรรมะสี่สเป็นธรรมะพระอรหันต์เป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้านั่นเองจะไม่ใช่ธรรมะอันเดียวกันอย่างไรเล่าเมื่อคําว่านี้ แม่เข้าไปพูดว่าอยากออกจากธรรมปิติอยากมาอยู่ขึ้นกับธรรมะกระไตรปคมกับพวกลูกคือพวกกุหลานี้ลุงก็ไม่ว่าเพราะเป็นธรรมะอันเดียวกันดีเหมือนกันความจริงมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดอกถ้าปฏิบัติไม่ได้แล้วธรรมะใดก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละถ้าปฏิบัติดีอยู่แล้วธรรมใดก็ดีหมดนั่นแหละ นี้เป็นจุดเริ่มต้นพูดกันท่านพี่กับผู้ออกลุงพูดถึงเรื่องธรรมะีติและธรรมะพระไตรปณคมเป็นพ้นวันกันไปแต่ฉันจันทร์เสร็จไปจนถึงสี่โมงเช้าไม่ออกเห็นจะรำคาญใจจึงพูดขึ้นว่าสำหรับคุณลูกผู้ใหญ่ให้หยุดพูดเสียก่อนให้คุณลูกผู้น้อยพูดกับพ่อออกลุงดูดีท่านพี่จึงหยุดพูด ตัว ข, ข้าพเจ้าจึงได้พูดขึ้นว่าเออพระออกลุงไม่ได้เสียใจเลยเวลานี้เป็นเวลาสนทนาธรรมะ ก, กันขอให้พ่ะออกลุงคือว่าอาตมาทั้งสองนี้เป็นหลานขอพระออกลุงจริงก็แล้วกันหลานทั้งสองเกิดทีหลังความรู้ความฉลาดก็ไม่เท่าพ่อออกลุงอยู่ดีหลักซึ่งจำเป็นหลานทั้งสองขออภัยในเรื่องที่พูดกันต่อไปไว้แต่ต้นเสก่อน สุขพระเจ้าจึงเริ่มพูดต่อไปว่าธรรมะปีติที่ผู้ออกลุงว่าเป็นธรรมะอันเดียวกันกับธรรมะพระไตรณคมนั้นถูกแต่เป็นธรรมะเกิดแฝงธรรมะพระไตรณภคมทั้งมิใช่ธรรมะปีติเป็นธรรมะพระอรหันต์ธรรมะพระไตรณคมเป็นธรรมะพระพุทธเจ้าเหมือนผู้ออกลุงว่านั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ก็ได้ตัดสรู้ธรรมะ พระใจปนะคมแล้วท่านนำเอาธรรมะพระใจปนะคมไปสอนพวกปัญจวัคคีจึงว่าเมื่อพระองค์เทศนาธรรมาจากจบรวงแล้วพระอัญญาโกณทยะได้ดวงตาเห็นธรรมได้สำเร็จพระโ ส, สดาแต่พวกสีองค์นั้นเพียงแต่ได้ความเริมใสได้ถึงพระใจปนะคมเท่านั้นนี้เป็นหลัก บ, บอกว่า พระองค์ตรัสรู้ก็ตรัสรู้ตามพระไตปรปณคมท่านจึงนำความรู้ของท่านไปเทศนาโปรดปัญจวัคคีก็เทศนาให้ปัญจวัคคีถึงพระไตปรปณคมเป็นต้นมาดังพระองค์ทรงอนุญาตให้อัครสาวกทั้งสองรับคุรบุตรเข้าบวชในพุทธศาสนาของพระองค์พระองค์อนุญาตให้อัครสาวกสอนธรรมะพระไตปรปณคมให้แก่คุรบุตรให้ถึงแล้ว ก็ให้เข้าหมู่พระสงฆ์ขึ้นได้ในศาสนาของพระองค์ดังนี้เป็นต้นไปไม่เห็นพระองค์ทรงอนุญาตให้อัครสาวกสอนธรรมปีติทางไหนเลยหรือพระองค์อนุญาตให้พุทธสาวกอื่นรับคุรบุตรเข้าบวชในศาสนาของพระองค์มีอนุญาตให้พระมหากัรสปะเป็นต้นก็ทรงอนุญาตให้ปฏิญญาณถึงพระไตรชนกมกร แล้วจึงขอบรรพชาเป็นสัมมนเนและพระอุปชาสอนกรรมฐานให้เสร็จแล้วก็ไปนุ่งผงผ้าผ้าการสาวะเข้าครองศีลเป็นการปฏิบัติในความอยู่เป็นสัมมนเนไปดังนี้เป็นต้นไม่เห็นพระองค์ให้ขอถึงธรรมปีติกันที่ไหนอีกเล่าเพราะออกลุงเพราะออกลุงแต่พูดขึ้นว่า คุณหลานพูดมานั้นถูกแต่เหตุใดธรรมะที่พระองค์บัญญัติไว้ให้คนขึ้นคนเรียนเป็นแบบเป็นแผนคือมีมากเข้าเป็นธรรมะ0ี่สห้องก็คือมีธรรมะพระไตรลักษณ์ะายานธรรมะปีติห้าอนุตริยะหกธรรมวิปัชนายาง9้าอย่างนี้เพาออกลุมก็คือว่ามีอยู่คุณหลานเห็นจะต้องเรียนไปไม่ถึงดอกกระมัง แกก็พูดไปในเรื่องธรรมะที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งเป็นอันใครเรียนธรรมะวิเศษมีฤทธมีเดชไปอย่างนั้นการธรรมะปีติห้าผู้เรียนก็เกิดรู้เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนกะคุหลานอย่าไปว่าแต่ธรรมะพระไตรณคมดีวิเศษหลายแหมคุณหลานข้ามองดูคนทั้งหลายที่เขามาฟังเขาเพลินจนเขาอยากปีตอยากโวเป็นส่วนมาก พ่อออกลุงแกอธิบายของแกไปจนชั่วโมงกว่านู้นแหละจึงได้พูดกับพ่อออกลุงขึ้นว่าพ่อออกลุงว่าธรรมะของพระองค์มีมากนั้นก็จริงหลักไม่ใช่มีเท่าที่พ่อออกลุงว่าเลยหลานได้ยินท่านผูรู้พูดให้ฟังมาว่าธรรมะของพระองค์มีมากตั้งแต่นสี่พันพระธรรมกันโ น, น้นแต่หลานก็ยังไม่รู้ดอกว่าธรรมะอะไรต่ออะไรรวมกันบ้าง จึงพอแปดหมสี่พันพระธรรมมขันแต่ว่าหลานได้ศึกษากับพระอาจารย์เสาและพระอาจารย์มั่นมาท่านสอนหลานว่าธรรมะทั้งหลายตลอดแปดหมสี่พันพระธรรมมขันนั้นพระองค์แจกออกไปจากพระไตรสนคมสามีทั้งนั้ น, นพระไตรสนคมสามีเป็นที่รวมไว้ซึ่งธรรมะท่านหลายหมดพระอาจารย์ทั้งสองท่านตอนให้หลานเข้าใจมาเช่นนี้หลานจึงว่า ธรรมะพระใจชนคมเป็นหลักฐานเป็นธรรมะอนันมิสาระแก่นสารกว่าธรรมะทั้งหลายอื่นเพราะการขึ้นเรียนธรรมทั้งหลายนั้นท่านอาจารย์ใหญ่เสาท่านได้ประกาศลุกสิทธิ์ของท่านเมื่อตามาองค์หนึ่งได้ยินว่าท่านเรียนธรรมะทั้งหลายเพื่อยกเครื่องบูชาเรียนกับครู ม, มามากธรรมะสี่จิตอ่องและธรรมะทั้งหลายยังเพื่ออกหลุงพูดไปเมื่อสะกีนี้พระอาจารย์ใหญ่เสา ก็ได้เรียนรูปครูด้วยเครื่องบูชามากับครูของท่านมาหมดแล้วแต่พระอาจารย์ทั้งสองคือพระอาจารย์ใหญ่เสาและพระอาจารย์ใหญ่มั่นได้มาพิจารณาดูกันพระอาจารย์มั่นท่านรู้ว่าธรรมะอื่นไม่เป็นของจําเป็นจะแต่งเครื่องบูชาขึ้นกับอาจารย์ให้อาจารย์สอนเลยเพราะเป็นธรรมะอุบายอันพระองค์รับสาวกด้วยเอหิทธิขุให้เข้ามาอยู่ในสำแนักของพระองค์แล้ว ท่านแนะนําอุบายกรรมฐานให้สาวกทุกสิทธิ์ของท่านนําไปปฏิบัติกันให้จิตเป็นสมาธิสมาบัติกันขึ้นเท่านั้นขึ้นกับอาจารย์อาจารย์สอนให้สิทธิ์ไม่มีอรัธานาอย่างธรรมะปีติธรรมะพระไตรชนคมธรรมะสารพัธรรมธรรมจะไปขอเอาได้ง่ายๆความพ้นทุกข์มันไม่อดแหลกเช่นธรรมะปีติ ธรรมะจะเกิดมีขึ้นในบุคคลได้ต้องอาศัยคนนั้นตั้งใจปฏิบัติธรรมคุณพะ ร, รณะไตรสนคมให้จิตรวมเป็นสมาธิลงได้เจอก่อนอิติอาอันใดอันหนึ่งก็จะเกิดขึ้นในจิตของบุคคลผู้รวมอยู่นั้นขึ้นมาได้เมื่อใครทำจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิได้แล้วจะไปอรัธนาขอเรีกเอาปิติใดให้มันเกิดจนตายเท่าใดชาติปิติ มันก็ไม่เกิดขึ้นมาให้ดอกอันธรรมะติตินี้ก็หากมีแบบว่าให้บุคคลขึ้นกันเวียงกันแต่ไม่เห็นมีบอกคำภาวนากันว่าอย่างไรคำสอนให้ผู้ขึ้นธรรมะติติภาวนาก็ว่าอารหังอรหังหรือว่าสัมมาอรหังในพุทธานุสติอกุลพระพุทธเจ้าเป็นหลักจำอยู่จึงว่าทาใดจะนอกเหนือไปจากธรรมะพระไตรขะคมนี้ไม่มีเลย จึงว่าแบบของพระองค์และพระสาวกของพระองค์ท่านสอนกันมาก็มีแต่สอนให้ถึงพระไจกนณคมกันเท่านั้นก็พอแล้วธรรมะอื่นเป็นแต่แนะสอนให้ลูกศิษย์ของท่านไปเลยอันแบบขึ้นกันเรียนกันมานี้แบบเดิมของพระองค์สอนไม่เห็นมีในผูกมัดในมัดใดเลยเห็นจะเป็นด้วยอาจารย์ต้องการสอนศิษย์เพื่อเป็นอาชีพกับลูกศิษย์เพื่อเป็นการลิงตัวใช้สอย สิ่งในตัวให้ง่ายการ น, นั้นเสียโดยมากจึงตั้งแบบสอนให้มีขึ้นกันกับพระอาจารย์มานั้นพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองสอนนตมาให้รู้มาว่าดังนี้แหละพระออกลงุงพระออกลุงจะว่าอย่างไรก็รขอให้ว่าไปเลยเวลาพูดและอธิบายคำมั่อยู่นั้นมองดูหน้าพระออกลงุงหน้าตายมาแต่นานแล้วเมื่อแกจะพูดต่อไป ดูเหมือนมีตัวเสดเดิรคือจะดุ้งตื่นนอนหลับทั้งแรงเลยแกพูดกับหมูขึ้นว่าหมูทั้งหลายคุณหลานได้พูดอธิบายธรรมะมานี้เป็นธรรมีแบบมีแผนเป็นธรรมมีหลักฐานเป็นของพวกเราผู้หวังความพ้นทุกข์ควรจดจำเอาไปปฏิบัติแท้ทีเดียวจากนั้นแกพูดกับแม่ออกว่าแม่เท่านี้มีบุญมากลูกของแม่เท่าคนนี้ เป็นลูกอันประเสริฐทีเดียวได้ไปเที่ยวแสวงหาธรรมะของดีอันประเสริฐมาโปรดสอนพ่อแม่และพวกญาติใคร ใ, ครให้เข้าใจขึ้นความสงสัยความข้องใจได้ปฏิบัติเอาทนให้พ้นทุกข์ด้วยแม่เท่าจะออกจากธรรมะเจตีขั้นห้าของลุงไปขึ้นอยู่กับธรรมะพระไตนกคมคุณลูกของเท่าก็ดีแล้วส่วนลุงเวลาต่อไปจะขึ้นกับ ธรรมะพระไตรชนกคมภายหลังดอกตัวข้าพเจ้าจึงว่านั่นแหละพระองคลุงพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสองท่านได้เรียนธรรมะปฏิบัติมามากท่านได้พิจารณาตรองดูเห็นว่าคำอื่นไม่จำเป็นจะขึ้นจะเรียนกันมีพิธีการยกครูยกทาลายให้เป็นการลำบากชักช้าแก่การปฏิบัติเพื่อดาเนินใจเข้าสู่วิปัสสนาธรรมชั้นสูง ท่านผู้ปฏิบัติเอาตนให้พ้นทุกข์เสยเปล่าดอกท่านจึงได้หยุดวิธีการสอนธรรมะทั้งหลายทั้งสี้ท่านจึงมาสอนแต่ธรรมะพระไตรชนคมกันอยู่เท่านั้นอันธรรมะพระไตรชนคมนี้คือพุทโธธรรมโมสังโฆ ค, คำพวกเราว่าใจรู้สว่างอย่างนี้คำพระพุทธเจ้าว่าธรมโมคำพวกเราว่าใจรู้สว่าง คำพระพุทธเจ้าว่าสังโฆ ค, คำพวกเราว่าใจรู้ข้อปฏิบัติดีรู้ปฏิบัติเอาตนพ้นทุกข์จึงว่าใจดวงเดียวมีพร้อมบริบูรณ์ทั้งสามรัตนะให้ผู้ขอถึงพระไตรสนะกรมแล้วให้ปฏิบัติเอาตนของตนคือให้เอาใจรู้ของตนนั้นรักษากายวาจาของตนให้เป็นศี้เอาใจรู้ของตนนั้นระลึกคำภาวนาขึ้นเอาใจรู้จัก จดจ่ออยู่กับคำภาวานานั้นจนใจรู้นั้นรวมอยู่เป็นหนึ่งเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้ชื่อว่าครูนั้นเอาคำภาวานาฟอกใจรู้ของตนนั้นให้สะอาดขึ้นมาได้แล้วจึงจับเอาใจรู้นั้นกําหนดพิจารณาดูกายของตนอันเป็นรูปธรรมรวมอยู่แล้วซึ่งสมมุติธรรมทั้งหลายมีขันธธรรม อายตนะธรรมเป็นต้นให้เห็นแจ้งจะได้อาศัยเห็นแจ้งในธรรมคือรูปธรรมนี้เข้าไปปอกใจรู้ของตนให้ใส ย, ยิ่งขึ้นได้อีกใจรู้นั้นก็จะได้ถอนอุปทานการยึดถือมั่นของตนออกจากความเป็นภูตุชนของตนก็จะได้หมดไปความเป็นอริยชนของตนก็จะเกิดขึ้นมาในใจรู้ของตนดังนี้แล้วจึงได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรม พระไตรสนคคมหากเกิดรู้เองเห็นเองเพราะตัวรู้เป็นตัวจิตคิดหาอุบายน้อมความรู้อันรู้อยู่ตามหารู้ผู้ได้ยินเป็นต้นนี้รวมเข้าไปในใจได้หมดแล้วผู้นั้นหากเกิดรู้เองเห็นเองขึ้นมาเหมือนพระองค์ท่านแสวงหาความรู้ทางอื่นอยู่หกปีก็ไม่เห็นรู้อันใดอันหนึ่งขึ้นในใจเมื่อท่านคิดหาทางได้ อาณาปณะสติกรรมฐานน้อมความรู้ของท่านเข้าไปรวมอยู่ในใจได้แล้วท่านก็เข้าไปรูปถึงฐานความรู้ของท่านท่านก็ได้ปัสสรูปของท่านขึ้นมาในใจท่านเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเท่านั้นแหละเพราะออกลุงอันพ่ออกยุงว่าได้ปฏิบัติธรรมปีติว่าว่าเป็นผู้บรรลุในธรรมะทั้งหลาย เกิ อ, ออกลุงพูดประกาศตนอยู่เสมอว่าอยากพูดกับคนผู้พูดนอกโลกแค น, นั้นคนนอกโลกพูออกลุงรู้เขาพูดกันว่าอย่างไรเขานับถือัติอะไรเขาปฏิบัติกันอย่างไรกอให้ผู้ออกลุงเล่าให้หลานฟังดูเธอพผูออกลุงแกเริ่มพูดขึ้นว่าลุงนั่งสมาธิจิตรวมสงบดีแล้วเกิดใจสว่างไปนอกโลกเห็นคนใน นุกปุภาวิเทมาทวีดเห็นคใ น, น, นคในอุดรกรุธวีปเห็นคนในอมระโคยาทวีชุมปูทวีแต่และทวีมีรูปต่า ง, างกันอย่างนั้นใหญ่น้อยต่างกันอย่างนั้นความนับถือเขามีสิ่งห้าประจําเหมือนกันทั้งสามทวีแต่และทวีปเขามีหลักอันหนึ่งพอกคำประดับแก้วรุ่งสว่างถวายหลักนั้นสูงประมาณหกจอก เป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ประมาณหนึ่งจอกคือนี่คำไหว้ของเขาว่าเป็นคําบาลีมหาสมุทเทปุคลาอักีเหมือนกันทั้งสามพวีตตลอดทั้งชายทั้งหญิงก็ไหว้คําเดียวกันเท่านั้นเป็นอย่างนี้แหละคุณหลานพอถามต่อว่าคําไหว้ของเขานั้นก็ออกลุงแปลได้เหมเล่าแปลว่าอะไรแต่ก็ว่าแปลได้ มหาสมุทรเท อ, อันว่าแม่น้ำมหาสมุทรใหญ่กว้างลึกไม่มีประมาณนั้นปุกขลาอัตถีไม่มีบุคคลใดจะมีความสามารถหาเอาวปืนมาก่อสุ่มน้ำมหาสมุทรให้เหินแห้งสูงไปนั้นไม่มีจะหมดจะแห้งไปได้เลยแกแปลอย่างนี้จึงถามแกตอบไปว่าพ่อออกรุงรู้ดังนั้นได้รับประโยชน์อะไรบ้าง เห็นแก่เพียงรักษาสินห้าก็ยังไม่ได้อยู่เลยจึงได้ถามแก่เช่นนั้นเพา อ, ออกลงแกผู้อึกอัดอยู่ในคอหน่อยหนึ่งแก่พูดขึ้นว่าไม่เห็นได้รับประโยชน์อะไรเลยได้แต่รู้อย่างนั้นเท่านี้เองพระเจ้าจึงพูดต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นเ็า อ, ออกลงรู้เพียงลมลมเท่านั้นบุคคลไม่สามารถจับเอาลมที่มันพัดไปมาตามอากาศ มาเป็นสมบัติอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถ้าอาจจะมาแปละจะไม่แปลอย่างนั้นดอกไม่เห็นจะมีประโยชน์อันใดแปลเปลี่ยนวิพัตโตเป็นสังเสียว่ามหาสมุทรทุโยงอันมีในใจตนนั้นปุขละอักกีอันว่าบุคคลใดจะเอาไฟมาเผามาสุมให้มันเหิดแห้งไปด้วยอำนาจไฟนั้นไม่มีเหิดแห้งไปได้เลยมีแต่จะเอาปัญญา อันใสอันเกิดจากสมาธินั่นแหละเผามันมันจึงจะเหิดแห้งไปได้ก็จะเป็นประโยชน์กว่าพระออกลุงรู้แรงนั้นเสียดอกอันพระออกลุงรู้นอกโลกนั้นก็ดีตามอัตมาฟังได้เข้าใจตามว่าไม่ใช่พระออกลุงรู้นอกโลกอะไรเลยเพราะโลกอหนึ่งพระองค์หมายเอาชวี ท, ทั้งสี่เป็นโลกอันหนึ่งจึงว่าชวี ท, ทั้งสนั้น ก็มีรักษาสี่ห้าอยู่เหมือ่อนกันกับชมพูทวีปนี้อยู่จึงว่าทวีปทั้งสี่นี้รวมเป็นโลกอันหนึ่งเพราะมีพระอาทิตย์ดวงเดียวเดินอยู่ในทวีปทั้งสี่นี้อีกด้วยจึงว่าทวีปทั้งสี่นี้เป็นโลกอันหนึ่งอาตมานึกว่าโอกลุงจะรู้นอกโลกเหมือนประวัติพระโมคขลานะเทระท่านขออนุญาตกับพระองค์อยากเหาะขึ้นไปบนอากาศให้สูง อยากมองดูโลกว่ามันใหญ่กว้างเท่าใดพระองค์ก็ให้อนุญาตแต่พระองค์ได้สั่งพระโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะท่านเหอะขึ้นไปสูงจนมองดูแผ่นดินทั้งหลายนี้เห็นเท่าใบผักแว่นให้กลับลงมานะถ้าท่านหอะขึ้นให้สูงจนมองแผ่นดินนี้ไม่เห็นแล้วท่านจะหลงโลกนะพระโมคคัลลานะเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็หอบขึ้นไปสูง จนเลยพระองค์สัง่งขึ้นไปจนมองแผ่นดินไม่เห็นเจเลยเห็นว่าสมควรแล้วจึงห่อถอยกลับมาพระโมคคัลลานะหลงโลกเกยเลยล้มไปตกโลกพระเจ้าหลักดำซึ่งมีสีท่ทวีปเงนินกันกับโลกพระพุทธเจ้าโคตมะป ร, ะรมครูของพวกเรานี้พระโมคคัลลานะมองเห็นรัศมีอันสว่างของพระเจ้าหลักดำเข้าใจว่ารัศมีของพระพุทธเจ้า โคดมบรมครูของตนจึงลงถึงพื้นดินแล้วเตรียมตัวเข้าไ ป, ปากราบไหว้พระพุทธเจ้าหลักดำท่านจึงบอกพระโมคคัลลานะว่าเราไม่ใช่พรรพุทธเจ้าโคดมบรมครูของท่านดอกเราชื่อว่าพระพุทธเจ้าหลักดำอยู่โลกหนึ่งต่างหากกับโลกพระพุทธเจ้าโคดมบรมครูของท่านเอาละ่ะเราจะเปล่งรัศมีไปส่งท่านไปหาพระพุทธเจ้า โคดมบรมครูของท่านให้ท่านไปตามรัศมีอันสว่างของเราไปจนกว่ารัศมีของเราจะหมดยังเหลืออยู่แต่แสงอิห้ยเท่านั้นท่านมองไปหน้าจะมองเห็นแสงสว่างเข้าแสงอิ่ห้ยแล้วนั่นแหละให้ท่านหอกไปหาแสงสว่างอันมองเห็นอยู่ข้างหน้านั่นแหละเป็นรัศมีของพระพุทธเจ้าโพดมอันเปล่งมารับเอาท่านระ พระพุทธเจ้าโคโดมท่านก็รู้ว่าสิทธิ์ลงโลกมาตกลงโลกของเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าหลักดำนี้เหมือนกันท่านจึงได้เปรตเอรสีมิมารับเอาท่านดังนั้นอาตมานึกว่าพอออกลงรู้นอกโลกรู้ไปอย่างไปรู้โลกของพระเจ้าหลักดำสี่ทวีปเป็นโลกหนึ่งแล้วก็รู้อย่างนี้เรื่อไปอย่างนั้นดอกอาตมาจึงถามเพราะ หลานอยากรู ôi, ้ด้วยดังนี้